ทั้งหมดฟังธรรมแล้วต้องการออกบวชแต่พระราชบิดาไม่ทรงยินยอมทั้งหมดจึงได้ประพฤติกุมารีพระมจันอยู่ถึงสองมืนปีคือประพฤติพระมจันตั้งแต่ยังเป็นกุมารีในบรรดาพระราชธิดาเจ็ดพระองค์นั้นคือพระนางสัมมณีหนึ่งพระนางสัมมณะคุตตาหนึ่งนางภิกษุณีหนึ่ง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 ถ้าอย่างนั้นอัตามาภาพจะขอย้อนถามมหาบอพิษในปัญหาข้อนี้บ้างปัญหาข้อนั้นพอพระไทยมหาบอพิษอย่างไดมหาบอพิษจึงทรงพยากรปัญหาข้อนั้นอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรมหาบอพิษจะสาคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมหาบอพิษมีนักคํานวนนักประเมินหรือนักประมาณใดๆ